พระภูมีประภาตอาระหันตระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งกระรมและประสงค์เป็นสาระตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นสีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงสรุปธรรมะที่บรรยายมาโดยลำดับตามแนวพระสุขใหญ่ ที่ตรัสแสดงสติปัฏฐานอันได้ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานสูตรอันได้ถือเป็นหลักในการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป พระบรมศาสดาได้ทรงสแสดงที่ทางปฏิบัติอันเดียวอันเรียกโดยชื่อว่าเอกานามัต ทางไปอันเดียวคือทางปฏิบัติอันเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศก ค, ความ รังจวนคลั่มครุนใจทั้งหลายเพื่อดับทุกโธมนัตทั้งหลายเพื่อบรรลุธรรมะอันถูกชอบที่พึงบรรลุ เพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งนิพพานคือความดับสิเลสในกองทุกข์ทั้งสิ้นทางปฏิบัติอันเดียวนี้ก็คือสติปัฏฐาน พิจารณากายสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาสติปัฏฐานพิจารณาจิตสติปัฏฐานพิจารณามุคคือเรื่องในจิตและ ได้ทรงแสดงอุปการะปฏิบัติคือข้อปฏิบัติที่เป็นอุปการะในการปฏิบัติสติปัฏฐานดังกล่าวคือหนึ่งอาตาปี มีความเพียรปฏิบัติสัมปะยะสองสัมปยาโนมีความรู้พร้อมคือมีความรู้ตัวเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสัมปชัญญะ ที่แปลว่าความรู้ตัวสามส ต, ติมามีสติคือความระลึกได้หรือความกำหนดพิจารณาสี่วิเนยโลเกอพิชาโดมนสัสซัง กำจัดความยินดีความยินไายในโลกเสียดังนี้และได้ทรงแสดงขอบเขตแห่งการปฏิบัติสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ ไว้ด้วยว่าตั้งสติพิจารณากายในกายตั้งสติพิจารณาเวทนาในเวทนาตั้งสติพิจารณาจิตในจิตตั้งสติพิจารณาธรรมในธรรม อันเป็นการเตือนให้ได้ทราบขอบเขตของการตั้งสติพิจารณาในสี่ข้อนี้ว่าเมื่อพิจารณากายก็ต้องพิจารณาในากายมีใช่ในที่อื่น อีกสามข้อก็เหมือนกันเมื่อจะปฏิบัติข้อไหนก็ต้องตัง้งสติพิจารณาในข้อนั้นไม่ใช่ในข้ออื่นและได้ทรงแสดงสถานที่สำหรับที่จะปฏิบัติไว ก็คือป่าโคนไม้เรือนว่างอันเป็นสถานที่สงบสงัดดังในที่นี้ก็กล่าวได้ว่า เป็นเรื่องว่างคำว่าว่างนั่นก็คือสุญญะความว่างก็คือสุญญาตาในการปฏิบัติจึงต้องการสถานที่อันประกอบด้วยสุญญาตาคือความว่าง จะเป็นป่า ก, ก็ได้โคนไม้ก็ได้เรือนว่างก็ได้ก็คือที่ที่มีความว่างอันสงบสงัดนั่นเองและได้ตรัสถึงอิริยาบทแห่งการปฏิบัติ ซึ่งใช้โดยมากก็คือนั่งขัดบันลังที่เรียกกันว่านั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดสมาดในบาลีไม่ได้บอกรายละเอียด แต่อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติเล่นและเพิ่มเติมว่าในการนั่งหัดสมาธินั้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายส่วนการวางมือก็ไม่ได้แสดงไว้ในพระบาลีถึงรายละเอียดของการวางมือ แต่อาจารย์บุตรสอนปฏิบัติก็มักจะสอนให้วางมือจะชนกันหรือไม่ชนกันหรือว่ามือขวาทับมือซ้ายก็สุดแต่สัายะของแต่ละบุคคลแต่ได้จับแนะ ให้นั่งตั้งกายตรงนำรงสติจาเพาะหน้าคือรวมจิตเข้ามากำหน ด, ดอยู่เฉพาะหน้า นี่เป็นการเตรียมปฏิบัติและในที่อื่นก็ได้มีสอนให้ตั้งใจ ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลอันศีลนั้นย่อมเป็นพื้นของสมาธิ ตามที่จะจัดแสดงไว้ในที่อื่นและผู้ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมจารีบุคคลอยู่โดยปกติก็มักจะมีศีล เระจำอยู่ในตนเองโดยโปกติก็ศีลห้าในโอกาสพิเศษเช่นวนนันอุโบสถก่อนศีลอุโบสถคือศีลแตดเมื่อออกบวชเป็นสมณเณรก็ศีลสิบ เนภิกษุกวีนสองร้อยี่สิบเจ็ดหรือศีลของสมณเณรศีลของภิกษุแต่สำหรับศีลในขณะปฏิบัติธรรมสมาธิหรือปฏิบัติวิปัสสนาทางปัญญา แม้ภูที่มิได้มีศีลเป็นธรรมจารีอยู่เป็นปกติดังกล่าวเมื่อมีความสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจก็เป็นศีลขึ้นมาทันที แม้ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะสมาทานศีลแม้ว่าจะไม่รู้จักคำว่าศีลไม่รู้จักข้อของศีลต่างๆแต่เมื่อมีความสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจ ก็เป็นศีลขึ้นทันทีก็เป็นพื้นฐานของภาวนาทางจิตใจทางปัญญาได้และความสำรวมกายวาจาใจดังกล่าว เป็นข้อสำคัญอันเป็นที่ตั้งของสมาธิแม้ว่าจะสมาทานศีลอยู่และก็ไม่ได้ละเมิดศีลทางกายทางวาจา แต่ไม่ได้มีความสำรวมกายวาจาใจในขณะที่นั่งปฏิบัติคือใจไม่สำรวมคือใจไม่เข้ามาไม่ทำสติเฉพาะนา ดังนี้การปฏิบัติก็ไม่ได้และทางกายทางวาจาก็เหมือนกันเป็นวันในขณะที่ไม่ได้มีความสมรวมกายเช่นทำการงานอยู่ นั่งพักพร อ, อยู่ซึ่งเหยียดมือเหยียดเท้าไม่ตามสบายไม่ได้สำรวมวาจาพูดคุยอยู่ไม่ได้สำรวมใจใจคิดเรื่องราวอะไรต่ออะไรอยู่ดังนี้ก็แปลว่า ยังไม่มีศีลที่จะทำสมาธิหรือยังไม่มีศีลเพื่อสมาธิศีลเพื่อสมาธิจึงต้องมีความสำรวมกายมีร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติ อาจจะเป็นนั่งก็ได้เป็นเดินที่รีกว่าเดินจงกรมก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นนอนแต่ว่าเป็นนอนนั้นมักจะใกล้ต่อความง่วงนอนปฏิบัติจึงไม่เป็นที่นิยมโดยมาก ก็ใช้จงกรมรือนั่งและเมื่อจะทําจิตให้สงบจริงๆก็ต้องนั่งเราจะไม่ต้องไปาภาวะบวนในเรื่องของการเดินซึ่งจะต้องมีความาวภาวะวนมากกว่านั่งอิริยาบถนั่งนั่งกายตรงนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินั่งขัดบันลังตั้งกายตรง ยอมเป็นอิริยาบถ ท, ที่ทำจิตให้สงบได้ง่ายหรือแม้จะนั่งเก้าอี้สำหรับผู้ที่นั่งกับพื้นไม่สะดวกก็ใช้ได้แต่ว่าให้นั่งกายตรงดีกว่าที่จะนั่งพิง น, นั่งพิงก็เป็นไปตื้นง่วงง่ายอีกเหมือนกัน เหล่านี้เป็นเรื่องของจะต้องมีความสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจซึ่งเป็นศีลเพื่อสมาธิเป็นภิกษุเป็นสมณะ น, นึกว่ามีศีลอยู่แล้ว ไม่มีความสัมรวมกายสัมรวมวาจาสัมรวมใจเพื่อสมาธิดังนี้ก็ทำสมาธิไม่ได้เป็นคือหัดมีศีลห้าศีลแปดอยู่แล้วแต่ ว, ว่าขาดสัมรวมดังกล่าวก็ทำสมาธิไม่ได้จึงต้องมีศีลเพื่อสมาธิคือความสัมรวมดังกล่าวในขณะปฏิบัติเป็นศีลเพื่อสมาธิและมีสรณะ เป็นเรื่องกำจัดภัยแห่งสมาธิเพราะจิตที่ถึงสราระก็คือจิตที่ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์อันเป็นวัตถุที่บริสุทธิ์เมื่อจิตถึง แม้จะโดยสมมติบัญญัติแห่งพระพุทธเจ้ากระทรรประสงค์ตามที่รู้จักแวามมีเข้าใจก็ตามแต่เมื่อมีความเข้าใจว่าสมมติบัญญัติแห่งพระพุทธเจ้ากระทรรประสงค์ตามที่เข้าใจนั้นเป็นที่ตั้งของความบริสุทธิ์เมื่อจิตถึงจิตก็ย่อมจะได้ความสงบได้ความเย็น ได้ศรัทธาได้ประสาธะอันนําให้เป็นศีลคือความสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจขึ้นโดยอัตโนมัติควบคู่กันไปกับการถึงสาณะและเมื่อเป็นดังนี้ก็คือ ว, ว่า ได้ทำการเตรียมตนพร้อมที่จะปฏิบัติทำสมาธิทาปัญญาจนถึงการที่จะเลือกข้อปฏิบัติอันเยียกว่ากรรมฐานกามที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงสแสดงสั่งสอนไว้และเมื่อได้ตั้งเลือกสติปัฏฐานคือตั้งสติกำหนดกายเวทนาจิตธรรม ก่อนน้อมนำสถิติฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนเอาไว้และที่ครูบาอาจารย์ได้บอกกล่าวสั่งสอนกันต่อๆมามากำหนดปฏิบัติ ด้วยสติที่ตั้งขึ้นเฉพาะงานนั้นอาจปฏิบัติได้ตามข้อต่างๆที่สัดแสดงเอาไว้อันเริ่มแต่ข้อกายคือตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าขออก สติกำหนดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนตั้งสติกำหนดอิริยาบถน้อยแห่งอิริยาบถใหญ่เหล่านั้นยืนเดินก็เดินก้าวไปข้างหน้าหรือถอยไปข้างหลังเป็นตนสำหรับข้ออิริยาบถ ใหญ่ียาบทดน้อยนี่มกักเรียกว่าธรรมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวแต่อันที่จริงนั่นก็ต้องด้วยกันสติกับสัมปชัญญะต้องคู่กันไปตร้างสติกำหนดกายนี่ ประกอบด้วยอาการหรือสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดต่างๆมีผมคน็ด้ันน้งเป็นต้นแยกออกไปเป็นสามสิบเอ็ดประการในที่บางแห่งก็เป็นสามสิบสองประการหรือมักเรียกกันว่าอาการส2สอง กังสติกำหนดพิจารณาธาตุทั้งสี่ทนมีอยู่ในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุว้ยธาตุลมในที่บางแห่งเติมอากาศสาศัตวธาตุอากาศคือช่องว่างอีกข้อหนึ่งเป็นธาตุอา ตั้งสติกำหนดป่าชาติทั้งเก้าคือพิจารณาศพที่ทิ้งไว้ในป่าชาหรือที่กำหนดพิจารณาเอ า, าเป็นศพที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันมีสีเขียวหน้าเกลียด พิจารณาศพที่ทิ้งไว้ในป่าชาถูกกัดทั้งหลายกัดกินพิจารณาศพที่เป็นโครงร่างกระดูกมีเส้นเอ็นดื้นรัดประกอบเป็นเนื้อนเลือดพิจารณาศพที่เป็นโครงร่างกระดูกมี เส้นเอ็นยึงรัดไม่มีเนื้อแต่ยังเปื้อนเลือดยังมีเส้นเอ็นดึดรัดพิจารณาตกที่เป็นโครงร่างกระดูกที่ไม่มีเนื้อไม่มีเลือดแต่ยังมีเส้นเอ็นดึดรัดพิจารณาโครงร่างกระดูกที่ไม่มีเส้นเอ็น รินรัด ก, กระดูกยึน ก, ก, กระจัดกระจายไปในทิศทางต่างๆก็พิเจอนากระดูกที่เป็นสีขาวเหมือนดังสังพิเจอนากระดูกที่มีอายุล่วงไปปีหนึ่งหรือเกินกว่า ซึงอยู่เป็นกองกองพิจารณากระดูกที่ผุปน ล, ละเอียดไปในที่สุดก็เป็นอันว่าพิจารณากายเริ่มแต่กายที่ยังมีชีวิตยังให้ใจเข้าให้ใจออก กัดเปลี่ยนอิริยาบถใหญ่น้อยได้มีอาการ32มีธาตุทั้งสี่ประกอบกันอยู่และเป็นกายที่ยังดำรงชีวิตและพิจารณากายที่สิ้นชีวิตเป็นสากศกตั้งแต่เริ่มตาย จนถึงเป็นตนุผูกิลไปในที่สุดก็เป็นอันว่ากายอันนี้ก่อนจะเกิดก็ไม่มีและเมื่อเกิดเป็นชาติก็มีขึ้นมาและในที่สุดก็กลับไม่มีอีกตามเดิมจากนั้นก็จัดสอนพิจารณาเวทนา คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจที่เป็นสามิตคือมีอะมิตรมีกิเลสเป็นเครื่องหลอกมีอารมณ์อันประกอบกิเลสเป็นเครื่องหลอกให้บังเกิดขึ้นบ้างเป็นนิรามิตรคือไม่มีกิเลสไม่มีอารมณ์ประกอบกิเลสเป็นเครื่องหลอกให้บังเกิดขึ้นบ้าง นั้นก็จะสอนให้พิจารณาจิตนี้จิตที่มีราคะมีโทสะโมหะก็ให้รู้ว่ามีจิตปราศจากราคะโทสะโมหะก็ให้รู้ว่ามีจิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตที่หดหู่อย่างไรก็ให้รู้ จิตที่ได้สมาธิที่เป็นจิตใหญ่หรือจิตที่ไม่ได้สมาธิเป็นจิตที่คับแคกอย่างไรก็ให้รู้จิตที่ยิ่งหรือไม่ยิ่งด้วย ความที่มีหรือไม่มีทำมาปฏิบัติที่ยิ่งหรือไม่ยิ่งอย่างไรก็ให้รู้จิตที่เป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็ให้รู้จิตที่หลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นอย่างไรก็ให้รู้ กำหนดทาความรู้จิตของตนเข้ามาและต่อจากนั้นก็ตัดสอนให้หัดปฏิบัติำกำหนดดูธรรมะในจิตเมื่อมีอกุศลธรรมบังเกิดขึ้นในจิตคือนิวรณ์ทั้งห้าก้อใดข้อหนึ่งก็ให้รู้ไม่มีก็ให้รู้ และหัดปฏิบัติให้รูจนถึงว่ามีบอลจะเกิดขึ้นอย่างไรจะละได้อย่างไรละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรและตระัสสอนให้ตั้งสติกำหนดดูขันอาจะชนะพร้อมทั้งสัญญน์ ที่บังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นทางอายตนะตลอดจนถึงสัญญาตเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้รู้ละได้อย่างไรก็ให้รู้ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ให้รู้อันขันอัญยัตอายตนะนี้นับมาเป็นอัพยาการธรรมธรรมะที่เป็นกลางกลาไม่ใช่ กุศลไม่ใช่อุศลเพราะเป็นวิบากขันวิบากอาจจนะที่มาได้มาต้องเป็นชาติถือความเกิดและก็กลับสอนให้จังสติกำหนดโคดชงองของความรู้ก็คือตัวสตินั่นเองที่เมื่อในปฏิบัติมาโดยลำดับ เป็นสติที่กำหนดมาโดยลำดับดังกล่าวสตินี้เองก็เลื่องเป็นพชฌงคคือเป็นองค์ของความรู้ทำให้ได้ทำบุญใจเลือกเป้นทำขึ้นในจิตใจเองอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ทันทีมันมีดีนี่ชั่วนี้มีโทษนี้ไม่มีโทษ ก็เป็นธรรมวิจัยและก็จะเกิดความเพียรละขึ้นเองคือส่วนที่เป็นชั่วและเป็นอกุศลก็จะละให้ดับหายไปได้และก็จะได้ปิ ต, ติคือความปลืมใจ เราเห็นว่าจิตเริ่มบริสุทธิ์หรือว่าบริสุทธิ์ไปโดยลําดับจากเครื่องเศร้ามองทั้งหลายที่ละเสียได้เมื่อจิตบริสุทธิ์จิตก็ยจะกิ็มเกิบ ด, ดูดดื่มอยู่ในธรรมะซึ่งเป็นส่วนความดีดูดดื่มสติดูดดื่มสมาธิ ตลอดจนวญญาณคือความอย่างรู้เข้าในจิตก็แปลว่าสติสมาธิยานคือความอย่างรู้นั้นซึมซาบเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตเหมือนอย่างที่ดื่มน้ำระงรับระหายน้ำก็เข้าไปซึมซาบอยู่ในร่างกายดับร้อน ฉะนั้นเมื่อละส่วนที่ชาวมองรับเอาโซนที่ดีก็คือสติสมาธิญาณปัญญาเป็นต้นเหล่านี้เข้ามาก็ทำให้จิตนี้เองพองใสดูดเดิมจิ่มเอิบและก็มีความสุข ทั้งทางกายทั้งทางใ จ, งงใจเก่อเป็นดังนี้จิตก็ตั้งมันเป็นสมาธิมากขึ้นเป็นความตั้งมั่นสงบอยู่ในภายในสงบอยู่ด้วยความรู้เป็นความรู้ที่นิ่งสงบอยู่ในภายในไม่ออกไปในภายนอก อารมณ์อะไรผ่านเข้ามาก็ตกอยู่แค่ตาแค่หูแค่จมูกแค่ลิ้นแค่กายแค่มนละคือใจไม่เข้าไปสู่จิตเพราะจิตตั้งสงบรู้อยู่รู้อยู่ในภายในไม่ออกรับอาการที่ตั้งสงบอยู่ในภายในรู้อยู่ไม่ออกรับดังนี้คืออุเบกขา ก็เป็นโคดชงขึ้นมาสมบูรณ์และเมื่อเป็นดังนี้ความรู้ที่เป็นสติที่เป็นสมาธิที่เป็นปัญญาทุกอย่างก็ประมูลกันเข้าเป็นมัตมีองค์แปดนำให้กำหนดรู้ทุกรู้ทุกขสมุทยัยเหตุเกิดทุก รู้ทุกข์ขณะรูความดับทุกข์รู้ทุกข์ขณะรู้คามีนีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นญาณความอย่างรู้ในสัจจะทั้งสี่ขึ้นไปโดยลํำดับดังนี้ก็เป็นจั่งสติกําหนดธรรมอันเป็นข้อที่ครบสี่ เพราะฉะนั้นซึ่งเป็นทางปฏิบัติอันเดียวเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศการะปริเทวเพื่อดับทุกโธมนันดเพื่อบรรลุํทาที่ถูกที่ชอบในโดยลำดับเพื่อกระทาให้แจ้งนิพพาน กบรมศาสตรสาได้ทรงแสดงเอาไว้ถึงอานิสงสผลของผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานว่าจะได้บรรลุัญญาคือพระอรหัตตผลหรือไม่ฉะนั้นก็ความเป็นอนาคามี เป็นมิทัศนะในเบื้องสูงในเมื่อปฏิบัติในสมบูรณ์สุดแต่ว่าผู้ปฏิบัตินั้นจะเป็นบุคคลประเภทนใดคือเป็นผู้รู้เร็วรู้ช้ารู้ปานกลางเป็นต้นซึ่งยกไว้เป็นนิทัศนะ ก็เจ็ดปีจนถึงเจ็ดวันก็เป็นนิทัศณะคือตัวอย่างอันแสดงว่าการปฏิบัตินั้นต้องได้รับผลไม่เร็วก็ช้าและแม้จะช้ากว่านั้นเมื่อปฏิบัติเป็นโดยลำดับไม่ละเว้นก็ย่อมจะ มันลุเข้าได้จากวันหนึ่งในปัจจุบันจพบไม่ได้กว่าในอนาคตจะพบการปฏิบัติย่อมเป็นอุปนิสัยเป็นนิสัยเป็นอินทรีย์เป็นบารมีที่เป็นพื้นและ ปฏิบัติเพิ่มเติมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเรื่องสูตรนี้จึงประกอบด้ดยหลักปฏิบัติเป็นอันมากซึ่งผู้ปฏิบัติยกเอาเพียงข้อใดข้อหนึ่งขึ้นปฏิบัติและเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปทุกทุกข้อก็ยมประมวลเข้ามา ก็เป็นทางปฏิบัติค เ, เดียวข้อสำคัญนั้นคือต้องมีความเพียรไม่หยุดทำไปโดยลำดับน้อยหรือมากกะตามทุกทุกวันมีสัมปชัญญะมีสติและคอยกำจัดความยินดียินร้ายในโลกไปโดยลำดับต่อไปนี้ก็ขอให้ง